พุชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตานรินศักด์ขีนานโยตอนปล่อยหมดได้ไม่ปล่อยไม่ได้ของของของอุ้มะคะ่ะถ้าตอนที่ปฏิบัติที่บ้านเนะะียค่ะคือของอุ้มมันแพ่แล้วมันก็หลับก็พยายามตื่นตื่นตื่นขึ้นมานะคะ่ะใช้พูดโทด ต, ตื่นขึ้นมา แต่พอมันออกมาข้างนอกแล้วมันเจอคนอะไรเงี้ยมันก็มันก็หลบคุยเหมือนเดิมมันไม่ตื่นไ อ, อ้อุปมาณนนอนนะไยังไงมั้งเนี่ยฟังเริ่ไม่มีตัวตนอะไรนะมฟังแล้วใช่ไฟังค่ะ เ, เ, เ, เราเราพูดเริ่องไมมีตัวตนพูดใครใครฟังหมดเราเรามีตัวตนนะไอ คือเรามีสภาว่าอาการอะไรแล้วเรามีตัวเราตพปปยายามไปช่วยไม่ให้ตัวเรานี่ยติดอะไรพยายามตื่นค่ะไปใช่ไม่ใช่ไม่ยาเนียคือเวลาเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าจิตเราแช่นิ่งใช่ไหมแช่นิ่งเฉยมันไม่ตื่นใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปช่วยไปช่วยจิตพยายามจะช่วยจิตให้มันออกมาจาก ที่ไปแช่ที่ไปนิ่งที่ไปเฉยที่ไปจิตเราอะมีทั้งตัวเราหนึ่งจิดก็คือมีตัวเราด้วยที่จะไปช่วยจิตและสองจิตเราแช่แล้วจิตเราแช่จิตเราแย่ที่มังยึดเอาจิตจะเป็นเราเป็นตัวตนของเราอีกมันเรียผิดสองต่อเลยผิดหนึ่งมิตตัวเราและพอจิตมันไปจิตนิ่งเฉยพอหยู่เรแปลว่าม่วงซืนทึบโอจิตเราไปจิตแล้วจิตเราจิตของเราไปจิตแล้วไปจิต เราเหมือนกับจิตเราเนี่ยไปถูกทรายดูดเราก็เป็นห่วงมันเราพยายามให้ไปช่วยจิตของเราที่ถูกทราย ด, ยาาย ด, ดูดเนี่ยทําออกมาจากทรายดูดให้ได้มันก็จะผิดแล้วตรงเนี้ไม่ถูกรู้หรือเปล่าไว้ตรงเนี้ยข้าจะผิดที่เราพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี้เอาไปเดี๋นี้ครัตอนเนี้ยรู้ค่ะแต่ก่อนหน้าเนี้ยคือถ้าอุ้ม อุมเคยแช่แล้วอุ้มไม่ตื่นจนท่านโอช่วยให้ตื่นแล้วพอมันตื่นมาอุมก็จําสภาวะตื่นได้ไม่จะไปจำอย่างนั้นยังนมันมจำอดีตมันจะทาเมามีแผลปัจจุบันนี่เน่ปล่อยวางไปได้หมดแล้วก็ไม่มีผู้เข้าไปช่วยอะไรไม่มีผู้เข้าไปช่วยอะไรไม่มีผู้เข้าไปช่วยจิตไม่มีตัวร้าไปจิตอะไร ไม่มีตัวเราไปติตอะไรนะไม่มีผู้ไปช่วยจิตมันเป็นอะไรก็สักแต่ว่าเรารู้เรับทราบพราะตัวตนเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติของธาตุรู้สับแต่ว่าเรารู้เรับรากไม่มีตัวเราไงไม่มีตัวเราไปติดแล้วไม่พยายากไปช่วยเอาตัวเราช่วยจิตอะไรไปช่วยงนเไปช่วยจิตของเรา คือมันจะเป็นยังไงไม่มีตัวเราแล้วก็จิตมันจะติดไม่ติดยังไงก็ไปส่สนใจมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราแล้วเราก็เห็นหมดเลยจิตมันมีอาการไหวไหวไหวไยังไงก็ไม่มีตัวเรายุ่กับมันมันมีแต่จิตที่ไหวไหวหรือจิตที่มีอาการยังไงอ่ะไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจมีแต่แม้แต่จิตไหวไหวแม้จะมีอาการตื้อตๆ้อตื้อตื้อนั่นไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจ ไม่มีอะไรมีค่าเลยก็มาย่อดใจเลยเพราะว่าเราไม่มีเราเป็นเหมือนกับท้าเปรียบเหมือนเราเนี่ยเป็นควารู้ที่ว่างเปล่าเหมือนกับเป็นอากาศเป็นรู้ที่เป็นเป็นจักรวาลที่สุาหมหาบัวเกศนงสฤษดิ์ที่มีในชื่ออยู่หน้าปกคือว่าอาวกาศแห่งจิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมแท้ของเรามันเป็นอวกาศแห่งจิตดเดิมแท้เป็นอวกาศไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไม่มีตัวเราไม่รู้สึกเป็นตัวอะไรดังนั้นเนี่ยมีอาการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีแต่อาการ ไอที่ง่วงว่างทึบๆเตื้อๆมก็เหมกับเป็นจานดาวเทียมเป็นโลกเป็นดวงอาทิตย์เป็นอะไรที่ลอยอยู่ในอากาศแต่ไม่ใช่ไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่ใช่ขาดรู้ไม่ใช่ปุชะไม่แต่ง่วงซึมหรือโล่งมากเลยโล่นะแม้แต่โลกงเลยนะโลกเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พอทึบๆเตื้อๆเหมือนกับโลกทึบๆโลกนั้นเป็นโลกไอลุกโล่งทึบๆถ้าโลกกับเปลี่ยนมันเป็นอาทิตย์ดวงจันทร์ แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยก็ลอยอยู่ในอวกาศในจิตเดิมแท้ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่ออวกาศลูกโลกดวงอาทิตย์ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่ออวกาศมันก็คงมีลอยอยู่ในมันเป็นสังขารเนี่ยอาการตึ้อๆมันเป็นสังขารทําให้เราจับอาการได้อาการตึ้อๆก็เป็นสังขารทําให้เราเนี่ยจับรดได้ นเธาปรารถนาโลภโกงเบาสบายเธอเกียดอาการที่มันทึบมันซื้อที่มันตกกันข้ามเนี่ยเธอไม่เที่ยงธรรมเนี่ยหัวหน้าฟังไว้เลยเนี่ยไม่เที่ยงธรรมเนี่ยคือจะช่วยเราไม่ชอบไม่พอใจอาการของจิตที่มันทึบมันซื้อแล้วเราเนี่ยชอบอาการของที่มันโกมันโลภมันเบาสบายมันที่พูดมาบอกว่าพอท่านโอมาช่วยให้เราเนี่ยโลภขึ้นมาเนี่ยแล้วกลับไปที่อีกแล้ว อา้าพอมาช่วยโลกเอามันโลกเขาก่อมันโล่งดีมาอยู่ต่อหน้าอาจารย์แล้วมันโลกงมากเลยเอา้ากลับไปจิตอีกแล้วเราลําเทียบสภาวะจิตที่มันไม่ไม่โลกไม่สงบไม่เบาสบายแต่เราชอบอาการมันจิตที่มันโล่งโกล่าบสบายนี่เนี่ยเหตุอันนี้ยจึงทําให้เราเนี่ยปฏิบัติวนเวียนแล้วก็ติดเพราะอะไรเรารักชั่วชังเกียดทุกข์รักสุขเพราะจิตดีเราเราชอบเรารักแต่พออาการาจิตไม่ถูกใจเราเราชังเราเลือกข้าง เราเลือกข้างเราจะเลือกอาจิตที่โวกัสสบ า, สายแต่เราเนี่ยที่โดนผัดใสไม่ชอบอาการนั้นจิที่ซึ้งติดนูนติดยืนเหมือนในทะเลทรายโดนทรายดูเราไม่เที่ยงธรรมอะเมื่อกี้ที่เราพูดกับว่าน้าเนี่ยที่บอกว่าเราถามนพู่เหรียนเนี่ยต้องมีใจเป็นกลางเป็นรูเบขาต่อทุกสภาวะต่อทุกอาการมันก็เลยพอเป็นกลางปุ๊บมันก็เลยไม่มีตัวนตนเราก็เลย ไม่มีตัวตนอะไรเดืออัตโนมัติเพราะความเป็นกลางมันุกิ่งตุบติ่งเนากยังอยู่โดที่ไม่มีอะไรยึดไม่ได้อะคือยังอยู่โดยที่ไม่มีอะไรยึดไม่ได้ถ้าจะเป็นกลางอ่ะุ้มก็ยังพุดโทเบาๆอยู่เลยอ่ะเพื่อเพื่อไม่เพื่อเป็นกลางอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเข้าใจความเป็นกลางผิดแล้ว เรากลายเป็นมีตัวเราพยายามทําให้เป็นกลางเรามีตัวเราเนี่ยพยายามทําให้มันเที่ยงธรรมต่อนี่เราเที่ยงธรรมไม่ได้เราไม่เป็นกรารเรากลายมีตัวเราเป็นตัวที่สามไว้ตรงกลางอีกอันนึงและไม่มีตัวเราไม่มีมีแต่ไอ้ที่เที่ยงธรรมเนี่ยคือธรรมชาติของธาตุรู้ที่เป็นพุทธะไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวเราพยายามเป็นสุดย์ในตัวเราเที่ยงธรรม คือมันเป็นธรรมชาติของพุทธะธรรมชาติของท่านรู้ที่เป็นจิตเดิมแท้ดั้งเดิมมันเลยรับรู้ทุกอย่างได้แต่แค่สัตรารับรู้ไอ้ครับว่าสัตรารับรู้เนี่ยเขาเรียกว่าเทีย่ยมธรรมถ้าหลวงจะปฏิบัติยังไงอ่ะมันงงแล้วครับงงแล้ว<笑><笑>อุว้<笑><笑>เข้าใจที่หลวงตาบอกแต่อุ้มไม่รู้ทางเลย ไม่ยากเลยทวามใจให้ไม่เครียดซะก่อนเอ้อ้มื่อกี้อุ้มถาม่หัวหน้าเข้าใจไหมเออเอเอาไมิไม้ไม้ไม้ไม้ไมไม้ไมไม้ม้ม้ไม้ไม่ไม้ไม้ไม้ะตัวม้ไม้ไม้าม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ม้ไมม้ม้ไม้้ จริงๆยังไม่ได้สุกเท่ากับน้องกุ้งแต่คิดว่าถ้าเห็นอะไรก็ปล่อยมันคือคือมันเหมือนอย่างเนี้ค่ะที่ตะกี้บอกว่าบางครั้งมันมีสุกบางครั้งมันก็เหมือนกับที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นมันอาจจะมีอาการมึนหัวหรือมันจะหัวชิมก็ปล่อยมันก็ช่างมันมันจะชิมก็ทิมไปแล้วมันตอนสุกก็ปล่อยมันไปไปช่างมันมันจะเกิดอะไรก็ปล่อยมันอย่างนี้ค่ะเข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะพูดของว่น้าเลยถูกเลยรู้ไหม สักีหลงตาเปลี่ยนหนูแบบนี้ทําได้แค่นี้แสดง ว, ว่าอุ้มมีใครอุ้มมีคนพใ่ะมีคนทักปฏิบัติธรรมตลอดเวลาอุ้มมีอุ้มปฏิบัติธรรมตลอดไม่ใชนมีผู้จะเอาอีตัวเราผู้จะเอาเราไม่ได้ปล่อยวางมีอะไรก็ปล่อยวางมีอะไรก็ปล่อยวางเราจะเอาดีจะเอาไอ้ที่ดี อืมเราจะเอาที่อาการตรงกันข้ามจะเอาสภาวะที่ดีไอ้อย่างเงี้ยไม่เอาเราไม่ได้ปล่อยวางอ่ะคือที่หัวหน้าพูดก็คือมันปล่อยวางปล่อยวางที่ห <c oughs> หน้าพูดไปดิบูมานมันได้เข้าอัดเสียงเข้าไมาด้วยอ้าอ่าวอ อ, อ ก็จะฟังด้วยว่าหัวหน้าเข้าใจถูกไหมฟังก็คือนองเขาเลือกแต่สิ่งที่เขาแบบเออรู้สึกเป็นสุขอันไหนที่เขารู้สึกมันไม่ใช่หรือไม่อยากได้เขาเลือกว่าอันนี้ไม่เอามันก็เลยติดอย่เงี้ยเขาอาแต่อันเนี้ยเขาเลือกอันเนี้ยที่มันรู้สึกสุขสบายใจของเขาอันเนี้ยพอละอันอื่นอ่ะที่มันเข้ามาก็ไม่เอาก็จะมันขวางเขาอยู่เขาไม่เอาเขาเลือกอย่างเงี้ยค่ะรู้เปล่าหัวหนาเขาบอกเห็นไหมเห็นไหมถูกเออถูกถูกถูกถูกคุณว่าน่าก็พูดจริง สงสารต่อด้วยสงสารแต่อุ้มยังติดอยู่อุ้มสงสัยแล้วถ้าอุ้มไม่ตื่นเราอุ้มจะอุ้มก็งอง้ปฏิบัติยังไงอะคะอ๋อนี่ไงหัวหน้าก็พูดจะไม่ฟังเลยด้วยไม่ใจะเอาแบบต่จะให้ไปติดอยู่แน่ๆเราเดี๋ยวฝันหัวหน้าพูดไหม่มันจะเดี๋ยวมันไม่เข้าว่าคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะโง่ฉลาดเก่นหรือว่าจะต้องรู้อะไรปล่อยมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปตามเงี้ยมันเมื่อไหร่ถึงเวลาก็ปล่อยมันไปมันถึงเวลาของมันมันก็มาปล่อยมันไป นี่ก็ถูกอีกหัวหน้าพูดก็ถูกอีกค่ะเออถูกค่ะแต่อุ้มค้างค่ะขออีกคำถามเอาได้เอาไรเอาเลยเอาเ่อสุดตาแล้วถ้าเราปล่อยวางอย่างอย่างที่อย่างที่หัวหน้าบอกแต่ในขณะที่จิตไม่ตื่นรู้จิตหลับได้อะค่ะปรับไปกาเราตอบซิ ตอบที่อับอั บ, บจริงๆหนูมไม่ทราบว่าเออสิตที่น้องอุ้มเนี่ยต้องการคืออะไรแต่ว่าของของสื่อที่หนูคือตัวตัวที่ต้องการก็คือตอนเนี้ยเราปล่อยมันเฉยๆว่าเราอยากจะฝึกอย่างเนี้ยปล่อยปล่อยทุกอย่างส่วนลวผ ล, ลจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหนูมไม่ได้สนใจเป้าหมายตรงนี้หนูปล่อยแค่ยอย่างนี้ค่ะส่วนว่าอจะรู้จะตืได้อะไรยังไงเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนนี้อยากได้เราก็จะปล่อยเราฝึก ข, ของเราแบบนี้เราไม่ได้คิดถึงอย่างอื่น ให้ตรงนี้มันผ่านไปผลจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งนี่กระถูกอีกนะเป็นปัจจุบันนะนี่แหละธรรมะคือปัจจุบันนี่นี่กระถูกอีกอือกทำไบอะไรุดหงิดหงุห <c oughs> <c oughs> ดีมากต้องถามเยอะๆแล้วเดี๋ยวหัวหน้าเขาว่าจะได้ฝึกด้วยเออยากแล้วหัดหน้าว่ายังไงเออเออเอาดิดิดิดิปล่อยยากปล่อยของอุ้มก็คือคิดว่าปล่อยมันไม่ได้ใจปล่อยไปอ่ะเอุ้มก็แค่คิดว่าอุ้มปล่อยไม่เอาไม่เอาอุ้มก็เหมือนพูดโยนโสไปเรื่อยๆแต่ใจไม่ยอมปล่อยแล้วจะถามว่ายังไงแลจะถามว่าจะปล่อยยังไง ไม่ใช่ปุ๊มไม่อยากปล่อยแต่ใจมันไม่ยอมปล่อยใจ ไ, ไม่ยอยากปล่อยอ่าแล้วหัวหน้าว่าไงเลยถ้าของข้าหนูว่าความคิดเขาไม่ปล่อยไม่ใช่ใจเขาไม่ปล่อยอ้าวนี่นี่นี่ก็ถูกอีกยิ่งก็ถูกอีก <c oughs> น้องอุ้มยึดติดกับความคิดตัวเองอยู่ค่ ะ, คะว่าเนี่ยที่อย่างเนี้ยความคิดมันอยู่ที่ทั้งหมดมันคือความคิดนค่ะมันไม่ได้ทำด้วยใจของน้องคือคิดอย่างเดียว ให้ทําด้วยสมองเครื่องมันใส่ไื่อหัวมันไม่ได้ไปเรใจอ่ะ <laughs> ถูกของแถวหน้าค่ะก่อทถูกีเออทูกอ่อาอ่าอ่อ่าเงินอุมเลิกคิดเลิกคิดเรื่องหมดเลย <laughs> เดี๋ยวไม่ใจเลิกคิดนะเดี๋ยวก็ซื่อบื้อเลยสิเล้กสิ เขาให้ปล่อยไมไ่ให่เลือกคิดตอนนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรนะคะ อ, อย่างตอนนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรเล ย, เยใช่ไหมคะเจ๊ไม่เอาเลยแล้วถามใช่นะไม <c oughs> ก็แสดงว่ามันจะเอาถามว่ามไม่เอาอะไรเลยจะถามทำไมใช่ไหมแสดงว่าจะเอาถูกก็ดเจ้าถูกก็จะเอาอย่างแสดงว่ามีผู้เอาเจ้าถูกก็แสดงมีผู้เอาเขาปล่อยแล้วก็ปล่อยเลยไม่เอาไหมแต่จะเอาถูกไม่แม้แต่จะพยายามอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะลงตาใช่ถูกต้องปล่อยแล้วมันมีคาพูดอะไร ปล่อยหมดแล้วในปัจจุบันก็ปล่อยเลยตัก อ, อย่างกาปล่อยแม้แต่ปล่อยผู้ ด, ดีวิญยาณทอยู่ของปัจจุบันก็ปล่อยดยอีกไม่ปล่อ ย, ไ ม, อยไม่ปล่อยนะเนี่ยไม่ปล่อยเอาถามพูดได้เดี๋ยวจะให้หัวหน้าตอบพูดให้พูดพูดเลยพูดออกมาเลยเอา กุ้มบอกว่าไปแต่อุ้มก็มีตัวอุ้มดีดีตอนที่อุ้มบอกอว่ไาไปวาตอบว่ายังไงอ่าอหยุวุฒาตอบถูแล้วเคยจริงๆน้องอุ้มเขายังไม่หายสงสัยเมื่อมันมีความสงสัยยังคาใจเขาอยู่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยออกไปได้ค่ะอาจารย์ต้องให้หลวงตาเป็นคนแก้ยังไงอ่าหลวงตาแก้ยังไงครับตรงเนี้ยมันหลวงตารู้ปัญหาเขาแล้วลแก้ยังไงครับถูกต้องอ่าแก้ที่อ่ะ หัวหาที่เัวลน้าผู้ปัญหาเขาจะถูกต้องเลยแลแ้วจะแก้อย่างไรต้องปล่อยใจก่อนให้สบายสบายถ้าถามหนูนะเขาเป็นหน่อูก็จะปล่อยให้ใจมันโล่งๆสบายสบายก่อนว่าเราไม่คิดอะไรไม่สนใจอะไรก่อนไม่สนใจว่าจะไปปฏิบัติยังไงให้มันถูกหรืออะไรยังไงปล่อยใจแล้วให้มันว่างอาจจะฟังคำของดวงตาก่อนก็ได้ฟังให้มันใจโล่งๆสบายนิ่งๆ สบายนิดหนึ่งอ่าสบายอย่กี้นี้ที่หนูลองก็คือก็ฝึกแค่พูดโทก็ฟังไปเรื่อยๆสบายๆค่ะส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันอันอาจจะมีภาวะเบิ่งหัวก็เบนหัวแต่ถ้ามันสบายมันหายบึนก็หายเบนก็ช่างมันเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพยังไม่ปล่อยนะ เพรายังไม่ปล่อยจะเอาเขาเข้าใจก็ดูุษยอยากจะเอาเขาเข้าใจไงไม่เอาอะไรทั้งหมดสิแม้แตจะเอาเขาเข้าใจก็ไม่เอาจริงพูดจริคิดเอุ๊นี่อุ๊เออนี่แหลกปล่อยแล้วแค่นั้นแหละไปหาเหตุผลอะไรเราเออแค่นี้น่ะไม่มีเหตุผลอะไรหรอก มีความสุขทุกขณะปัจจุบันหัวรอดได้ก็จบแล้วแค่นี้เนี่ยไม่ต้องหาุผลว่าอะไรเป็นอะไรมีความสุขทุกปรจจุบันหัวรอดได้นี้ก็จบแล้วแค่นี้เนี่ไม่ต้องเหตุหายผลว่าอะไรเป็นอะไรแล้วสมมติบรรจักรีเรียมาทั้งหมดทิ้งให้หมดแค่นี้เนี่มีความสุขทุกปัจจุบันหัวรอดได้แล้วก็จบแล้วแค่นี้เนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยเดี๋ยวคืนหาใหม่คว้างใหม่ หมดคาถามตอนนี้ไม่ใช่กระดาษที่สู้ลเลยดจะเอาจะไปหาอะไรปัจจุบันก็มีความสุขดีเออหัวเราะได้มีความสุขได้ทุกขนาปัจจุบันก็นมีแนะนี่คือความปรารถนาจะไปเอาอะไรอ่ะอืม ไม่พอใจในปัจจุบันพอแค่นี้ไม่พอจะไปหาอะไรเเตรียมจะไปหาอะไรกันแค่กว้างเลยีย ม, ม <c oughs> จะไปหาอีกว่าแค่นี้ไม่พอตาหลงตามมันมันขึ้นแล้วรู้จะวกว้างเไม่เห็นว่าน่าเป็นกิเลสเตรียมจะไปเอาอะไรให้มากกว่าเ น, นี้ยนะคือกิเลสละเริ่มมีกิเลสล้ะเราไปเห็นว่าเนี่อะเตรียมจะเอาอะไรนะกิเลสขึ้นแล้วค นิ้พานก็คือความสุขทุกขณะปัจจุบันนี่แน่ใจไม่สุขทุกขณะปัจจุบันนี่แน่นิพาจะไปเอาอะไรอะเดี๋ยวเอามากกว่านี้เดี๋ยวขอมาขุ่นก็รู้เลกันขึ้นนีงก็เข้าใจค่ะนิพานก็คือความสุขทุกขณะปัจจุบันนี่แคือความไม่สุขทุกขณะปัจจุบันนี่จะเอาอะไรนิา ไปหาอย่างอื่นอีกนอกจากเนี้ยจะเอาว่างเอาไม่มีอะไรจ่ได้อนั้นเป็นหมายเอาไว้นั้นมันไม่เกเลรเนี่ยพอมันเรายอมรับวันนี้ผ่านคือความทุกข์ทุกข์ขนาปัจจุบันคือความไม่ทุกข์ทุกข์ขนาปัจจุบันเนี่ยคือดูเนียมันเกิดอะไรขึ้นหลอกตัวเธอภายในใจในกายเธอเนี่ยคือเราตั้งเกรมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันวับวับวับวับบบมันที่จะดที่จัด เกิดขึ้นมันเองอัตโนมัติคือเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในจักรวาลและธรรมชาติจักรวาลมันมีพลังจิตบริสุทธิพลังธรรมชาติที่เบิกสุดแน่นำจักรวาลมหาศาลถใจเราไม่เป็นธรรมชาติเราจะไปเอาโน่นเอาเนี่ยไปกิเลสมันเชื่อไม่ได้แล้วมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมันเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานในธรรมชาติทุกชนิดมหาศานมากมายพลังจิตที่บริสุทธิ์พาัธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มีมาแล้ทั้งหมดพระธรรมพระอรหันต์ม ในพลังงานทุกชนิดในธรรมชาติในอนาาันต์จักรวาลนี้ไม่มีขอบเขตไม่มีที่มาอยู่ในในจกักรวาลที่ว่างเปล่าเนี่ยมหาศาลใช้ไม่รู้จักหมดเป็นแหล่งพลังงานที่เหลือเฟือเมื่อไหร่ใจเราสิ้นผู้จะเอาจะเอาโน่นจะานี่จะเอานั่นจะไปเอานิพพานนิพพานคือความไม่ทุกขนะ์ในทุกปัจจุบนันเอออยู่ก็ใช้ได้แล้วแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านี้ล้วก็หยุดอยู่แค่นี้แหละทุกนาปัจจุบันใจไม่ทุกข์ไม่ก่อเกี่ยว บ, บัวพันอะไรก็แค่นี้แหละ มันก็เชื่อมได้เองเลยอัตโนมัติเป็นออโต้เลยนะเนี่ยเเก็ตได้ดีดีวะตอนเนี้เป็นยังไงเเก็บได้ดีๆไอที่เราจะเอากับตอนเนี้นเป็นยังไงเรารู้ได้ตัวเราเองเไม่ต้องถามใครเ อ, เอาบอกมาเลยตอนนี้เป็นยังไงเอาพูดได้กันตอนนี้พูดได้อตอนนี้เป็นยังไงก็เหมือนมันทะลุออกไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยอแล้วตัวจะเอาเป็นยังไงมันก็หนักอ้าว เห้ไหม่ล่ะว่ามันต่างกันเห็นไหมอีกทีはは่จะเอาจะเอาจะเอาไม่โดนคว้างอนหนักอยู่นั่นแหละผูのの้เท่าไรก็หนักอยู่นั่นแน่เออต้องโดนขว่างแล้วได้เออแล้วก <Definitely. S 1> ็บอกไม่มีอะไรมืนมันทะลุไปหมดเลยนั่นแน่เนี่ยเนี่ยคือธรรมชาติคือนิพพานในปัจจุบันนิพพานเนี่ยมันคือปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ถ้าพืชออกจากนี่ปุ๊บจะไปเอาปุ๊บนิพพานก็หายไปมันเลยเป็นขณะขณะขนาดถ้าไม่มีผู้จะเอาแล้วแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกขณาปัจจุบันมันก็เลยต่อเนื่องไป นิพพานมันแปลว่าความไม่ทุกข์แล้วเรจะไปเอาพวพเพลิมทุกข์เลยไหมพอจะเอาพวพเริิ ม, มีความทุกขนะ์แล้วเราก็บอกเองอะหนักหนักอะเราจะเอาทำไมหนักเออหนักเลยพอไม่เอาอะไรทะลุไปหมดเลยแล้วทะลุไป็นจักรวาลด้วยไม่ใช่ทะลุ ด, ด้านเดียวนะทะลุหมดเลยทั้งทั้งทุกด้านเลยไม่มีขอบเขตมีส้นมถนเลยเหมือนกับเป็นจักรวาลเลยนี่แน่มันแค่จุดตรงนี้แน่แค่ไม่เอาอะไรเท่นะั้นในปัจจุบันเนี่ย มันเป็นอย่างเงี้ยแค่นี้เองเราไปโหยหาแสวงหาอะไรที่มันไม่ใช่อไอ้ดันไปจะทุกข์มแต่กิดลึงมันก็เลยหนักมามันก็เลยหนักเวลาบางทีเขาเขาเขา ส, อ, สอนจากสตีเลยสตีศพตบตัวนี้เนี่ยยาวดจะเอาเนี่ยตอบตัวเลยนี่จะปวาณเนี่ันอยู่กับจิานี่มจะไปหาจิตาแล้วอบพัวเลยมันอยูับจิตวิจะเอาหรือจะเอานี่ เออเนี choose, like ่ยมันรู้แก่ใจของตัวเองแบบนี้เนี่ยเออใช่ไหมเออไม่เอาอะไรไม่หนักไม่ชึกไม่ซื้ออะไรเลยมันเดียวแม่มีแต่ปัจจุบันไม่ไปหาปัจจุบันอะไรก็คือปัจจุบันไม่เอาจะไปหาปัจจุบันอะไรนั่นพยายามจะไปหาปัจจุบันมีผู้หาปัจจุบันไม่มีหรอกผู้หาปัจจุบันจะมีที่ไหนถ้ามีผู้หาปัจจุบันจะเป็นปัจจุบันยังไงไม่ตื่ตาหาอยู่ในแนวมันก็เลยหนักอยู่ในแนวเพรถ้ามีผู้หาปัจจุบันก็ไปกินเล็กด้วยนั่นเอง พูดได้นะแต่นี่ให้พูดได้หมดเลยให้พูดหมดเปลือบเอาไม่กล้าพูดเกินใครอ้าวอ้าวนี่นี่นี่จะเอาสภาวะแบบนี้แล้วนี่แสดงว่ายึดแล้วสภาวะทั้งหมดไม่เที่ยงสภาวะก็ไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดเที่ยงมีแต่ปัจจุบันเลื่อยไปที่ไม่มีอะไรอยู่กับความสุขทุกนาทีบันพอไปยึดปุ๊บเริ่มจะไม่เริ่มจะไม่แท้จริงแล้วจะไปยึดสภาวะมีแต่นี้ ทุกขกณะปฏิบัติไม่วอาอะไรไม่คิดอไรที่จปิบัติบุรุษได้ยินได้ก็ดได้อ๋อ่อมเข้าใจยังไงเข้ใจเอ๊ะเข้าใจยังไงเข้าใจาเใจลยพูดมาสิจรู้เข้าใจจริงไมเข้าใจจริงค่ะก็เข้าใจค่ะเพราะว่าไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครจะเอาอะไรอีกแล้ว ไม่หาอะไรอีกแล้วมไม่หาแม้แต่นิพานไม่หาอะไรเลยถูกต้องแล้วรัไวไหมค่ะ เ, เ, เปย์ทำนี่ยงคะ่ะคือตอนแรกมันเหลือใช่ไหมคะมันยังมีตัวตัวเองเป็นฉากหลังต้อนอยู่แต่ว่าตอนนี้พอ มันมองอย่างอย่างไม่เหลือตัวที่จะตั้งเอาเนี่ยมันมองว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็คงเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมชาติมันก็เหมือนกันหมดเลยทุกอย่างมันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของมันคือเราเข้าไปยุ่งเข้าไปทําอะไรเข้าไปจัดการอะไรกับมันไม่ได้คือแต่เรารู้หรือเปล่า ถ้าเรารู้เราก็คือรู้แต่ถ้าเราหลงมันก็คือไม่รู้คือมันไม่มีภาวะอะไรที่มันจะเอาอะค่ะอะไรที่มันจะจ ะ, จะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้นักพักมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาทุกอย่าง <Yeah. S 1> เท่ากันหมด หมอเฟิร์สยังพูดจากความจำยังพูดจากความจำความจำกับเห็นเนี่ยมันแยกกันตรงไหนคะหมอเฟิหยุดที่จะอาเหตุผลได้ไใตอนนี้สิใช่ใช่ใช่เพิร์าจำมาจากที่เคยเห็น ที่จะเอาเหตุผลอะไรในปัจจุบันนี้สิถ้ายังไม่หยุดไม่วานจริงๆมีแต่ความจําแล้วจะไปถามว่าความจริงคืออย่างไงเราไม่อาจบอกได้เพราะว่าสิ่งเหล่านยังไม่ปรากฏอ๋อตอนนี้ไม่เกิดเออก็ใช่เพราะว่ามันเป็นความจำหรืถามไปล่วงหน้ามันก็ไม่อาจบอกได้แบบสิ่งนั้นคืออะไรมันต้องวางซะก่อนตลอดทีจะบอกได้พยายามทำให้ได้ แม้แต่จะเอาความเข้าใจก็วางไห้หมดเพราะว่าตัณหาเนี่ยขวนคากลับว่าไงหาแล้วตันสมองเพิเนียจะยังจะหาความเข้าใจเป็นตัณหาตัณหาเป็นสมุทัยใหญ่เป็นเหตุให้เกิดอุปทานคือความทิดมันถูมนันเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์อยู่นน่นเหระฉนั้นเซี่ยวดียังยังหาหาเหตุผล หาทางคุาทางจะเอาหาผลทางเป็นสรรหากระตุกทุกสันดีไม่สามารถที่จะถามถึงสภาวะที่สิ้นกรรหาได้เพราะว่ามันต้องสิ้นผู้หาก่อนสิ้นผู้จะหาเหตุผลหาเหตุหาผลหาผู้จะสิ้นจะเอาหาทางจะเอาหาทางเพื่อนมันต้องสิ้นตัวนี้ก่อนที่จะบอกได้ถ้าไม่สิ้นมันก็บอกได้แต่สภาวะที่ทุกที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบันคือชีอ้ได้เฉพาะสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน แต่สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นนะ่ะี่เราจะบอกได้ยังไงเหมือนกับจะเปรียบเทียบมันก็ว่าที่พยายามจะพูดว่าไอ้ตรงไหนน่ะอย่างนี้ใเทไหมอย่างนั้นเทไหมถ้าเราบอกว่าสมืติเปรียบเทียบเป็นอะไรว้างเอเปรียบเทียบเหมือนกับประเทศอะไรในโลกนี้ที่เราไม่เคยไปเราก็ยามถามถามถึงเราอธิบายยังไงก็ประเทศในโลกนั้นเราไม่เคยไปจะอธิบายยังไงมันก็มันก็ไม่เป็นจริงก็เทีะ ก็จะถามอยูน่นี่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าติดปลาปล า, า, าเต่าอ่ะทยายเรายังไม่เป็นจริงเรายังไม่วางจริงเราจะถามว่าถ้าวางหมดจะปี น, นี้ใช่ไหมก็ปลากับเตา่าแหละไอเต่ามันขึ้นบกได้มันลงน้ําได้พอเต่ามันขึ้นไปบนบกมันลงน้ํามาปลาก็ถามว่าเตา่ า, ตาบนบกนี่ยมันลึกไหมเต่าก็บอกว่าบนบกมันไม่ลึกหรอก ป่าก็งงงแล้วบนบกมันมีขี้คลนไหมมันมีขี้คนมากๆเหมือนกับในท้องทะเลนี่ไหมต่าก็บอกมันไม่มีขี้โคลนหน า, น า, น า, น า, ยยาๆเยอะๆอะไรอย่างนี้เราเคือไม่ว่าป่าจะถามอะไรป่ามันจะถาม อ, าม น, ามอาน้ําอ่ะไปเทียบบนบกตลอดเวลาไอต้ตามันพูดยังไงก็มาตามเนี่ยไอ้ปา่าก็ไม่เข้าใจได้เพราะมันเอาสิ่งที่เคยเห็นเนี่ยไปเทียบ นั้นเราไม่เคยเห็นในในสิ่งที่เราปล่อยวางอะ่ะเราจะถามยังไงจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่อยากจะถึงเราจะอธิบายยังไงก็ไม่อยากจะชี้ให้ท่านเห็นได้เหมือนกับว่าเต่าไม่อากจะชี้บนบกให้ให้ปลาเห็นได้ท่านต้องหยุดหยุดตัณหาหยุดหาหดเดี๋ยวเนี้แล้วท่านจะกลายเป็นเต่าเอง แต่ตอนนั้นถ้าเกิดจะไม่ต้องถามว่ามันเป็นยังไงเหนื่อยพอมันยังวิ่งเวิ่งเหนื่อยพ อ, อถ้าท่านยังวิ่งแล้วไม่เหนื่อยพอท้าก็จะต้องอย่างนี้แนะ น, น, น่ถ้าไม่หาจจะไปเชื่อโบกได้ว่าบกมันเป็นยังไงก็ป็นอาจจะเป็นเช่นนั้น